ดีที่เพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันเยอะๆมากฝ่ายสายก่อนคันเรียนน้ำมิดถ้าเราไม่มีหลักก็คนที่หนึ่งที่สองที่สามมากทีเดียวแล้คันเรียธรรมก็คือมีสติมีสมชัญญเาในการปฏิบัติโดยเฉพากแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้ว สิ่งที่ร้า้กลายเป็นสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องความทุกข์มเป็นความไม่ทุกข์แต่ว่ากัลยาณธรรมเรามีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมของชีวิตเราองินของเราเดินนั่งลอยก็รอดได้ทำหน้าที่โดยตรงปฏิบัติตรมวันนี้ อาศึกษาชีวิตของเราในชาตินี่ในพบนี่แหละใใพบได้พรมได้ที่เมื่อขึ้นูมอยู่ในเทวดาอยู่ในสวรรค์ในอินในพรมในนรกนี่แหละทำตัวนี่แหละทตัวนีไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรอยู่ในนี่แหละอยู่ในชาติที่เราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนเไม่ใช่ไม่เลือกทุกสาขาอาชีพไปเลือกเพศเลือกภ่ ให้กลับมาูตัวนี้รัฐทิศี่กายใดมันเกิดอะไรึ้นก็ไม่เอาไม่แ่เห็นพระธเจ้าเดินมามาปฏิบัติมีสติเห็นแสงก็จะไปเอามาูตัวนี้อย่างเดียวสติมันจะเกิดขึ้นในโลกนี่แหละในโลกที่ไม่ทุกในโลกที่มีโกรธไม่โลกไม่หลงนี่แหละสมัยผมไปปฏิบัติธรรมถ้ายังมีทุกอยู่ก็ใช้ได้ล่ะปฏิบัติแต่ไม่ความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละบ้านปากโูไปเตียง เโอกาสที่เราจะต้องปฏิบัติมานี้เกิดมีแกมีเก็บมีตาย้าประสติ่สาเราก็ทาได้จริงจิฝนตกเมื่อปีนี้กะไดมันหลงเราก็สร้างควมรู้ความรู้สึกตัวต้ต้นไม้่มไม้เราก็มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไม่เสียหายเวลาหลงก็รู้ไม่เสียหาย ถ้าหลงหลงไปเลยอนั้นไม่ดีเนินชาแต่มันหลงหลงไปเขาจะได้ลูกถ้าไม่หลงก็สร้างตัวลูกอยู่นี่ละให้ในตัวลูเสืตัวลูกคนตัวาได้การกระทาด้วยมือของเราเดยชีวิตของเราเองไอไม่ใครที่ทาให้เราได้ ตอนมีความมั่นใจขนาดนั้นนะใครแตะพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้การกระทําเป็นเรื่องของเราเองความทุกข์เป็นความทุกข์ของเราดีความหลงเป็นความหลงของเราเหตุปใจัยที่ทําให้หลงมันก็มีเหตุปใจัยที่ทําให้รู้สึกไม่หลงก็มีเหมือนกัน สองไปหนึ่ดอนปฏิบัติทาเนี่ยมันทาได้ของศีธรรมได้ถ้าไปมอบให้บุญวาสนาปรามีที่ไหนที่ไหนวาสนาก็คือทำเอาด้วยนี่แหละปรามีคือทาให้เต็มให้พร้อมมันลงมาได้กพร้อมที่จะลุ่มพร้อมอย้ทุกโอกาสทุกโอกอมที่จะดับทุกข์ให้มันได้หยุดหยุดก็มาหายไม่ใช่ไปอ้อนวอน หายใจเข้าหายใจออกแรงแรงให้มีความรู้สึกตาตาเหตุตาโนนาโทนี่แหละตั้งตัวเขานี่แหละจะเป็นตูกระทำยืคอขึ้นตั้งเอวตั้งหน้าอกตั้งคอตั้งใบหน้ายิ่งพวกเรามีวิชากรรมฐานสุดยอดเลยสุดยอดของวิชาที่ศึกษาเอองอาจทำไปทำไปมันเก่าเอาตั้งต้นใหม่อีก คือมันก็น่ารักแล้วกรรมฐานเครื่งูคร่งงที่ตั้งแห่งการกระทําสงบอยู่ก็ชั้งนั่งอยู่แล้วจะไปทําที่ตั้งมาทําอยู่ที่ตั้งมีสติตั้งไว้อยู่ตบใจตื่นขึ้นมางที่ตั้งมันก็มีมีกายมีใจก็มีเท่านี้แหละคนรอมีกายกับใจเท่านี้แหละตั้งไว้ตรงนี้ ตั้งไว้นานนานนานเขาแล้วก็เหมือนกับูต้นไม้ปลูกลงไปฝังลงไปในดินมันก็มีโอกาสที่จะออกกล้าตั้งลําต้นีเราไมแข็งขาดขาขาเกิดดอกออกผลทบความรู้สึกตัวแท้ๆที่จะกลายเป็นมรรคเป็นผลเสียงลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่ใช่ตั้งยว่า มไม่ใช่ไปซื้อไปหาไม่ใช่ไปอ้อนวอเรียนบอกว่าห้าสิบไม่ในการกระทําของเรานี่ยส่วนหนึ่งมันลู่กายอยู่ตั้งไว้ส่วนหนึ่งมันลู่เอาไว้เอาเก็บเป็ิ้นส่วนู่เอาไว้ไม่ใช่บาดแบกหามความลู่น่ะเหมือนคอมพิวเตอร์มันก็เก็บเอามันเก็บเอาเก็บเอาความลู่เก็บเอาความลู่เกิดมามันให้ข้อมูลดีๆแก่ชีวิตเราเห็นแล้วก็ สิ่งไหนมาไม่ดีเราเปลี่ยนเป็นดีปฏิคือเปลี่ยนได้กายเป็นดีมันจะคิดเท่าไรเท่าไรเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกมันปฏิปักษ์ทางไหนไม่ไม่ดีทางตาทางหูเปลี่ยนเป็นความดีเห็นความรู้จึกตัวได้ทั้งนั้นเปลี่ยนได้ทั้งหมดสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเปลี่ยนเป็นตัวลูกมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรูปรดดินเสียงเปลี่ยนเป็นตัวลูก มันซาละพัดนึกมนุษย์สมบัติจริงๆแหละชีวิตเราเนี่ยดูกิดเราจะไปอ้อนวอนในชาติใดเมื่อใดแต่ได้ยังทำไมได้เวลาใดแล้วก็ดูอยู่นั่นแหละเวลาใดที่มันหลงน่ะอ่นหละเป็นโอกาสของเราเวลาใดที่มันทุกข์น่ะเป็นโอกาสของเรากิดดูคิดก่อนเห็นทำสร้างเอาูเปลี่ยนเอามันก็จริงนะไม่ต้องไปเปลี่นอ้อนวอนเปลี่ยนได้ทันที วันได้พูดถึงเรื่องโลกเรื่องนามคือภระาคือสัญญาที่โลกมันทํานามมันทําจิสหำโลกมันทําดีนามมันทําดีโูกมันทําชั่วนามมันทําชั่ว่โดยสติเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเห็นกายเนี่ยโลกถึงเก่งอ่นะโลกทำนามมันธรรมชาติถ้าราลุยที่ไหนไอ้มันมีกับโลกคิดมากมายหลายอย่างธรรมชาติที่เกิดกับโลก ของมะก็คือธรรมชาตินี่แหละอยากให้ลูกม่เห็นมันเอาไปตูเอาของเขาเห็นความไม่เที่ยงตอางเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสัจธรรมของลูกอให้มันเล่นอย่ง้เราก็ไปทงานไม่ใช่สัจธรรมของกิตของนามหาสิ่งมันเล่นถ้าเราพัฒนาถ้าไม่พัฒนานามก่นเร็วล่ายกว่าลูกไปเ ลูกมันยังมีที่อยู่อาศัยเล่นอยู่ตรงนี้บ้านมีเดือนมีข้าวปลาอาหารมีเครื่องนุ่งห่มำเราไม่พัฒนามันไม่มีตัวม่ีตน้ำนี่ก็จนกว่านี้ถ้าเราไม่พัฒนาเนี่เป็นนิมิตถ้าเราพัฒนามันยิ่งมีที่อยู่บบลูกอยู่ถ้าเราพัฒนามันลูกมันไม่อัมตะนั่งอยู่นี่มันก็ไหลไปของมันอยู่ หลไปไหนไหลไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายวันเวลามันเืนชีวิตเราไปชีวิตของลูกแต่เมื่อือนชีวิตของนาไม่ได้ถ้าเราพัฒนามันไม่มีเกิดเกิดมีแก่ไม่เก็บมตายเปืนขางังยักษ์ใหญ่ในตาสองตาในปากปีเฉียวเขียวสามสิบสองเขียว เป็น่จะเป็นก็ตสามสิบเขี่ยวนายมจะูตาสองตาตาหนึ่งสว่างตาหนึ่งมืดมก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือกลางคืนกลางวันเขี่ยวเขคือสามสิบเขี่ยก็คือเดือนหนึ่งมีสามสิบวันมันหมดไปหมดไปมันกลืนอันนี้ลูกมันต้องเป็นอย่างนั้นแตน้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราพัฒนามัน มั่นคงในที่อยู่ไม่จนคิดเหมือนกับไก่เขียฟุ้งแต่บางคนจนมากๆมากะมุร้อยคมดีคือการชีวิตนะคิดแบบไมเป็นอาวันดีสี่วันร้ายจนแเราก็ลองเลยสงให้รู้จะทําอย่างไรจดอะไรมาก็เอาหมดรับเอาหมดไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นอิสระรับใช่รับเป็นทาตของอารมณ์ไโอ้เกิดคนโกรธคือคนโง่ คนหลงคนโลกคนทุกข์คนโง่เราไม่ต้องโง่ขนาดนั้นเอามือมาวางไว้บนตักสามาที่จะฉลาดคนนั้นก็ได้ไม่ต้องไปรับใช้ความโกรธไม่ไปสีภาษาไม่ต้องไปรับใช้ความทุกข์เพราะเราเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงรูปมันทุกข์นามมันทุกข์ โลกโลกตามโลกนี่ดีกว่าจะนีดีกว่าเราชอบแบบนี้โลกของลูกสง่าวมานั่ง้างวนรักษาเยียวยาตามเหตุตามใจแต่โลกของน้ำนะครับเราก็รู้เราก็ศึกษาแล้วก็รักษาอะไรจบมันต้องเกิดโรคอีกแต่โลกของลูกเกิดอยู่เรื่อยเห็นความหิวไยมพูดเท่า เป็นโลกของลูกแก้ไม่จบไม่สิ้นนั่งน่ๆทาก็กินตะิดความหนาวของผ้ายังก็ยังหนาวอยู่ความร้อนอาบน้าของกินแต่ในโลกทั้งคนไปกินกับลูกผขนไยที่จะเอากินกับลูกเอาโอกาสวิ่งหาเป็น่าของโลกตลอดเวลา ความสุขแบบปีนป่าปีนไปเินไปถึงยอดก็ตกลงมาตัวูตัวนึ่ต้องสัมผัสเป็นสุขที่มียอดใส่น้มาทำเนี่ยเป็นสุขเกษตสุขที่ไม่มียอดไม่ต้องสร้างเจ้าทีไก่องสแต่ตัวลู่ต้องสร้างนะคนเก่าขีรากมกอนก็มีความสุแต่รักษาขี้กลากให้หาย จะเรียกว่าความสุขก็ไม่ใช่เพราะไม่ต้องกล่าวอันนี้พูดภาษาของน้ำไม่ต้องไปทับใช่อะไรสุขเกิดเสพสุขไม่มียอดลูกมันทุกน้มมันทุก แต่ข้มน้มเนี่ยแก้ได้ทีเดียวจบไปตลอดชาติเหมือนพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาว่าตัดผมครั้งเดียวพระพุทธเจ้ามันก็เก็บเอาเก็บเอาโอ้ตัวลูพระพุทธเจ้าเป็นได้ทางกิจใจทางคุณธรรมพุทะตัวนั่นโอกตัวตื่นตัวเบิกบานเป็นได้ทางกิจใจอาศัยลูกตัวนี้มีการกระทำอาศัยกัน เมื่อความหลงไม่มีเป็นเหตุอาใสยลูกเนี่เหมือนกับเรือเหมือนกับเกิดธรรมชาติเกิดกดผ่งแพ่ที่ต้องชี่ข้ามให้ได้สวว่าาคมมจัดืทําไมไม่ลูกไม่มีน้ํำก็ไม่มีเหตุปัจจัยเทียมทาดีทําอะไรได้โชคดีของพวกเราแล้นะในลูกมันมีมือเคลื่อนไหวได้ลูกได้เดินได้อออกกมมาาาตํรันบแต่ไม่มีเคลื่อนไหวได้ก็ไมีใครมีใจสบปฏิบัติได้สสอาจารย์กับพนเนี่ย มีมือก็ใช้ไม่ได้มีอะไรส่วนขาส่วนแขนไม่ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ความรู้สึกที่มีอยู่ในกายความโลภคมโกรธมลงในกายกิเต็มที่หาที่ตั้งหายใจเข้าหายใจออกเลื่อนไปก็ได้น้อยไม่เป็นธรรมต่อกันพอเห็นสติจะเป็นแ่แมีเจ้าของเป็นผู้ดูแลมีอินทรีย์ที่สารวมได้ดีกว่าคนที่มีตามีหูมีขามีแขน อยากไปลุกลุกไปเลยอยากไปนั่งนั่งลงเลยบางทีเอาวิญญามันมีโอกาสทาไมหลงได้ทานน้ำฝนไม่มีโอกาสอยากลุกก็ลุกไม่ได้อยากไปจับพโนนอยากไปเดินไปตรงนมันก็เดินไปไม่ได้ก็เลยสํารวม่าลู้อยู่แต่เพรกายเพอใจที่ไม่สวนลูกแคบๆมันก็เลยเจริญอาจจะไม่เหมือนตนที่มีวิยญา เพิ่มเติมซ่อมใซ่อสะดวกสบายอาจจะเป็นของสารลูกฟังที่นำตาไหลบอกเกิดถึงการสร้างความลงเลยมากไม่มีใครบอกฉันคนต่าหมดไม่มีใครสอนเลยก็มีสัญญาเขอาศัยสัมผัสแล้วก็รูดเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทลุนของชีวิตนสัญญาที่เขาลงออกกับบ้านเดินไปรอบบ้านได้เดินกลับบ้านได้อันนี้ก็จักสารนะ แต่คิดเราบางทีถ้าเราใช้มันไม่เป็นโคลงเาใช้เป็นโอ้ยเกิดประโยชน์ในมือก็ยกมือสร้าง้ังหวะในขาก็ใช้ให้ไปเกิดความรู้สึกยาใช้เกิดความหลงตื่นจากทุกในตาก็ใช้ใช้ตาในหัก็ต้องใช้หัวังทับทับสมลงไว้จะให้ตามันใช้จะให้หูมันใช้ หลอดถึงเกิดกิจใจก็เอาใจมาใช้เอากิจมาใช้เจ้าเนี่เป็นคลังของสติสติเป็นเชาของเกาพนภาวะเดิมหยิบมันมาใช้ใช่ปัญญาด้วยสติเนี่ยเหมึ้นมากับคลังของสติจับมันมาใช้แต่ถ้าเราไม่มีสติมันจะใช่เราเกียรใจมันจะใช่เราตายมันจะใช่เราส๊อกส๊อก เต็มไปหมดสมบูโอ้เลยจริงๆกติวัตธรรมเียงนมสมคีข้อมูลที่ทำไมเกิดเพราะว่าุทธะเยอะมากมายกายกองถ้าเราไม่มีหลักถ้าเราไม่มีหลักก็เกิดข้อมูลจำให้หลงมากทีเดียวเหรอเห็นสมก็เห็นปมัดคุมไโชคดีเหลือเกินที่บอกเราเวลานี้วันนี้เป็นเช่นนั่นเรามี คล่อมอยู่แล้วเีงรามนนั่งอยู่เราจะลูกเราจะเดินเราจะลู่อะไรลู่ได้ทันทีในตาในหูในมั่นใจอย่างนี้กันปฏิวัติธรรมอย่าไปในลหัวเรดื่องเลงๆสงสัยอยู่อ้าวเราในมันพร้อมแล้วนะเนี่ยนี่ตัวตนสต่งชกไหล่ปิดมือก็ลู่ได้เนี่ยข้อมือก็ลู่ได้หายใจดูก็ลู่ได้ปิดตาก็รู่ได้เป็นน้าลายก็ลู่ได้ธรรมชาติมีแต่อาการมนุษย์สมบัติ วันนี้นเป็นโอกาสาที่เราจะทําอะไรได้พอะหลวงพ่อเทียนบอกว่าที่เมื่อึ้นรู้สึกไหมรู้สึกยกรู้สึกไม้มรู้สึกนี่แหละทํำตัวนี้แหละทําเท่านี้หรือหลวงพ่อทําเท่านี้แหละหลวงพ่เทียนบอกโอ้ยเราก็คิดว่าถ้าจะพูดแบบคนมีความสามารถอุ้ยภาษาอะไรเท่านี้ถ้าไมนคิดไว้ก็จะไปตามความคิดนะ ให้กลับมาลู่ตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เอาแม้แต่เห็นว่าพระเจ้าเดินมาก็ไม่เอาเห็นสีเห็นแสงก็จะไปเอาให้มาลู่ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยท่านบอกเขาเนี่ยเราก็หาที่เลยพวกเราสมัยผมไปปฏิบัติธรรมคติก็ไม่มีพอไปขอเตียงวัดบ้านปากภูไปเตียง ะไปช่วยหามมาเป็นโยมไปก็มาซื้อผ้าพลาสติก20บาททำหลังคาฝนตกเหมือนกับปีนี้ปบปบปปบปปอยู่ใต้ต้นไม้ล่มไม้เขียงฝนตกใส่ผ้าไปเี่ปบปปปบปบปบประกอบพัเรานั่งสร้างียงหวัดเดินก็เดินไม่ได้ อยู่ในเตียงที่ในหลังคาผ้าพลาสติกสองข้างเป็นหนามหนามคัดเข้าในทางเดินพอเดินได้ยยงเดินตามเป็นผงผงกับแม่กับแม่พึ่ง ถ, ถ้าเราเดินแต่ในเตียงก็อยู่ในมุง้งทำเท่านี้หรือทำเท่านี้เราก็มั่นใจแล้ว ติดมือขึ้นรู้สึกยุกมือขึ้นรู้สึกอ้าวอ้าวมันก็เก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาความรู้เวลาได้หลงก็ยิ่งดีจะได้มีบนเรียนจะได้รู้มันเวลาได้มันงงองงอ้าวตกขาตกแขนตึกตักตึกตักลูดืูนตาขึ้นมองไปโน่นมองไปนี่เกทตนะนาสองไปโน่นสองไปนี่มองหาเพื่อนหาเม็ด ควรู้สึกไปข้างนอก ก, ก็ลูลเราก็กลับมากาหนดสั่งต้นใหม่เรื่อยๆ อ, อย่าให้มันเก่าอรีบทนะอารีบทอยาให้มันเก่านะมันเก่ามันพลาดฉันสร้างแค่ว่าไปนานๆหน่อยมันพลาครึ่งลู่รึ้นหลงก็หยุดหยุดก็ามาหายใจหายใจเข้าหายใจออกสู ด, ดลมแรงๆให้มีความรู้สึกวางหน้าวางตา ตั้งโทนตัวใหม่ยืดตัวขึ้นยืดคอขึ้นตั้งเอวตั้งหน้าอกตั้งคอตั้งใบหน้าหมากำหนดอริบทตชกมือสร้างจังหวะเอาให้มันองอาจาทำไปทำไปมันเก่าเอาตั้งต้นไม่อีทให้มันชัดชดอยู่เสมออย่าทำแบบเครื่องลูกเครื่องหลงนั่งสงกอยู่ก็ยังนั่งอยู่นะอย่าไปทำเรียน เราสงกปุ๊บขึ้นมาโอ้ตกใจตื่นขึ้นมาโอ้ตัวนี่เหมือนตัวหลงอีกโอ้ขึ้นมามันเลือดได้มันทำได้อยากไปอ่อนเนี่ยอยากคล้อยตามเลยไงไงะอยากให้เขามาหิ้วไปไงไงะจิตนี่เป็นตัวหลอกเก่ง ห ล, ลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่กิดนั่นแหละมันจะหลอกหลอกให้หลงเราจริงกับตัวนี้ย่ะแม่เราสร้างจังหวะรูที่กายแต่ว่ามันตั้งเป้าไปดูกิ ด, ด้วยนะหลวงปู่เทียนบอกว่าห้าสิบห้าสิบตัวหนึ่งมันรูดกายอยู่ส่วนหนึ่งมันตั้งเป้าเขากิดมันคิด้กัน่ารูด ป, ปั๊บเดี๋ะ จริงๆเราสร้างเราลูกที่กายมันก็ลูกกิดนั่นแหละกิดนี่มันตรงไปหาดูมันเกิดมามันผดขึ้นมาให้เราเห็นเองเห็นแล้วก็จะไปยุ่งกับมันอย่าไปจริงเราจังกับมันมันจะคิดเท่าไรเท่าไรก็จะไปยุ่งกับมันอย่าไปคุมมันอย่าไปบังคับมันเราหาที่ตั้งของเราฟังไว้ที่กายนี่มันจะเก่งมันจะ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 ดล ก, กายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นทำนมันเขาพูดกันในพูดตามเขาว่ามันก็จริงนะดู ก, กายมันก็เห็นจิตถ้าเราอย่าไปหารายละเอียดการเคลื่อนไหว น, นี่ก็คือจิตนั่นแหละคือประสาทคือสัญญาที่มันรู้จิตนั่นเราสั่งให้เคลื่อนไหวจริงอยู่ก็อย่าไปอย่าไปมุ่งหารายละเอียดให้รู้เฉยเฉยนี่แหละนี่กายเนี่ยกายจริงจริงเนี่ยเห็นกายเนี่ยรู้ถึงจริงด้วยนะ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 จิตของเราต้องกำกันหาหาสิ่งที่ให้มันเล่นอยู่พิธีจับผิดเขาเนี่ยคือเอากายเนี่ยกําหนดรูดเดินไปหรือนั่งสร้างจังหวะมือให้มันเล่นอยู่ตรงนี้พิธีมันก็ไปทางอื่นก็กลับมาแต่มันไม่มีตัวไม่ตนจิตเนะี่ยต้องเอาวัตถุคือกายนี่เป็นนิมิตเป็นที่ตัง้งให้มันกลับมาให้มันรู้อยู่ตรงนี้ มันรู้อยู่เนี่นานๆๆก็เหมืนอนกับสอนจิตจิตมันก็ค่อยที่จะไม่ฟุ้งซาดค่อยที่จะรู้ทําใหม่ๆมันหลงมากคนรู้นะเหมือนกับว่ามันคิดมากเข้ามากเข้าพอทําใหม่ๆความคิดมันทลักเข้ามาทะลักเข้ามาสิบปียี่สิบปีสามสิบ ป, มบปีมันก็ยังเอามาคิดอัตาคตที่ยังไม่มาถึงก็ามาคิดไปข้างหน้าคืนข้างหลัง ปัจจุบันเลยไม่มีบางทีหลังจากเกลี้งคบขึ้นเขาทำใหม่หม่แต่ไม่เป็นไรใจดีสู้เสือถึงม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพียงพยายามที่จะรู้อยู่นั่นแหละจิตของเราเมื่อก็เป็นองนั้นแหละเมื่อเราจะกําหนดให้มันเป็นที่เป็นทางมันไม่ยอมมันไม่ยอมเบื้องแรกก็เกิดที่บนแล้วทํำ กามาฉันทะพยาบาทบางทีก็คิดขึ้นมาก็โกรธคนนั่นทำนี้คนนีทน้ทำนี้ถีนามิทะอุทาจจะกกุจจะคิดเหมือนกับไก่เขียฟุง้งกุกกุจจะเหมือนไก่กกุกคือไก่เขียคิดแบบไปเป็นขิ้นเป็นนั้นแล้วก็ลงังเลสงสัยจับจับจดจด อาจารย์ น, น่นสอนอย่างนี้อาจารย์นี่สอนอย่างนี้เราชอบอย่างนี้อันนี้ผมพูดเรื่องผมนะไม่ได้พูดเรื่องใครผมเกิดสภาวธรรมของตัวเราเป็นนักสมถะทําไปทําไมเอามือมาวางเอามือมาวางไว้บนตักนั่งสงบโอ้บรรศุขกลัวจะมายกมือเนี่ยมันหนักมันก็ยากกลัวการที่ไปนั่งทำกังขา ทำไปทา ม, มากหมือนนั่งเอามือวางไว้เหมือนทังนั่งสงบ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราชอบแบบนี้ตู้ก็สวยงามกว่าสง่ากว่ามานั่งจ้างกค่วันมันไม่สง่าเลยบอนทีอายเพื่อนแตกทำในสติมันคิดสารพัดอย่าง เอาเหตุเอาผลเราตนเป็นที่ตั้งแห่งความชอบความไม่ชอบไม่ยมพูดเท่าคนหนึ่งกดใกล้ๆ ก, กันแล้วนั่งนิ่งๆท่านก็นมาตะขิดเฮ้ยไปนั่งตายอยู่นันอย่าไปนั่งตายอยู่นั่ น, ย น, ยย น, นขยันหู้ขยันหูสร้างโต๊ะหู้สร้างตางตู้ ออกมาตัวลู่สึกตัวเรามาลำดับตัวลู่ตัวเนี้โอ้ลงมาสร้างตัวลู่เนีเรามาสร้างตัวลู่ตัวนี้ตัวลู่ต้องประกอบต้องสัมผัสเอาตัวลู่ตัวนี้ต้องสัมผัสต้องสร้างเอากรรมเครื่องกระทําเอาไม่ใช่ไม่คิดเอาความสงบไม่ต้องสร้างหาสิ่งไว้รอมดีมันก็สงบไปแต่ตัวลู่ต้องสร้างนะ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 แต่โมงหนึ่งก็ได้ถึงสามพันลูกทำพอดีพอดีใส่ใจพอดีพอดีอดอดโอ้มันก็เก็บเอาเก็บเอาโอ้ตัวลู่มันลู่รูรูมันก็ไม่หลงลู่ทีหนึ่งก็เหมือนกับเดินออกจากความหลงทีนึ่งไกลไกลความหลงไปเรื่อยๆทาเท่านี้ทําเท่านี้ให้ความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นเป็นมหาลู่นะเมื่อความหลงไม่เ ม, มันจะเกิดอะไรขึ้น เกิดธรรมชาติเกิดกฎของธรรมชาติเห ม, มือนแสงสว่างก็กําจัดก็ามมืดเมื่อเกิดแสงสว่างก็มองเห็นเราดูกายมันก็เห็นกายเห็นเป็นลูกเห็นเป็นนามเนี่ยมันบอกเปิดออกมาตาํารามันบอกกายใจของเราเนี่ยสงสารกายโลกทุกข์แล้วก็ใจก็ยังไปใช่มันทุกข์อยู่ พอเห็นโลกแห่ง น, นามก็ความโลภคมโกรธคมหลงก็สั่นคลอนเต็มที่หาที่ตั้งในยากแต่ก่อนนี้ไม่ไม่มีธรรมไม่เป็นธรรมต่อกันพอเห็นสติจะเป็นกลางเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลสงสารโลกสามสิบปีเกือบมึงตายน่ะนะเกือบตายก็สั่งการเขาสั่งงาน สั่งให้วิ่งสั่งให้ทำอะไรทุกอย่างพอมาโลดโอ้เหมืนกับการปลดปล่อยอยู่ใครอยู่ตัวใครตัวเราอจะมาเบียดเบียนกันแจะมาลังแกกันจะมาสั่งงานติดติดลูกคนทุกอยู่แล้วยังไปสั่งให้มันโกรธให้มันหลงให้มันโลภอยู่สั่งให้เวทตกกองงอนคนคิดมันก็เพิ่มเติมซ่อมเติมลูกเกินไปของสารลูกบางทีน้ําตาไหลนะ สงสารตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนให้ลูกเลยนะโอ้นันก็วัดลุ่งอารมณของชีวิตนะเห็นลูกทุกข์เห็นน้ําทุกดูทุกข์ก็ไปหรอโอ้ทุกข์ไงนี่แต่ทุกข์ของลูกของน้ําก็เป็นต่ทุกข์หายใจอยู่เนี่ยก็เป็นทุกข์ทุกข์ของลูกถ้าหายใจเข้าไม่ออกมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วหายใจออกไม่เข้ามันก็เป็นทุกข์ ต้องพิบตาต้องกลื่นน้ำลายต้องกินต้องถ่ายมันโลภนี่ยเป็นกองทุกข์ก่อนแล้วพอเพียงวันตื่นจากทุกข์แล้วจะยังมีโกรธพิษอะไรมาหัางขับทับถมลงไปอีกมันก็ไม่เอาเลยก็เกิดความเบากายเบาคิดกายละหุนตาคิตต่ละหุนตาความเบากายความเบาคิดต่างเก่าพ้นภาวะเดิม นะวิปัสนาแร้วกานพ้นภาวะเดิมขึ้นมาเป็นวิปัสนาล่วงพ้นอันเก่าเป็นชีวิตที่ใหม่ๆหัวกเก่าเห็นโลกทุกเข็นน้ำทุกเข็นโล ก, โ, กโล ก, โกน้ำโล ก, โกเห็นสมมุติเต็มไปหมดสมมติเสียงเรียงน้ำก็สมมติคำพูดคำจาก็สมมุติเราไม่รู้สมมุติ เขาว่าหมาเราก็โกรธเขาว่าบ้าเราก็โกรธโอ้สมมุติเฉยเฉยไม่ใช่ปรรมัดปลรมััดไม่ใช่สมมตุติถ้าเห็นสมมติก็เห็นปรรมัติคุมไว้ป ร, วรรมัดถอดสภาวธรรมเป็นเช่นนั่นเองควไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ก่อนไม่ตัวมี ต, มตนเต็มไปหมด ในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจในลูกในลดในความร้อนความหนาวความหิวมีแต่ตัวตนว่านี่ตัวตนสลายลงเรียกว่าสกยาทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกายมีแต่